เพึ่งหวนบาดคอแล้ยใครไปดูใครไปดับไฟ อ, อีกนะไฟเขาว่ามันยังไม่ดับนะใครใครไปดับเพบิ่มอีกไฟอะ่ะมันไหม้ไหม้หมดคืนแล้วนะมันไหม้ใครไปดูว่ามันไหม้ต้นไม้อ่ะต้นไม้ล้มใส่กําแพงกําแพงพัง อ, ะอ่ะกระม่วฮะต้นใหญ่ซ้ำเลย ต้นสนวนต้นสนวนต้นตายล่ะต้นตายล่ะเอามาใช้อะไรได้บ้างอะไรยังไงเน่จะมันทำแบบมันแบบะเป็นคุยเลยฮะอะไรยังงเนี่ยให้แบก็อะไรเป็นคุยเลยคุยเหแบบก็ไ่ได้มันผูละต้นสนวนว่าไม่แก่เนญ่ย มันหมดย่งไฟหมดอย่า ง, ม, าางมันไปจุดมดเลยไอ้ตรงที่เราไปดันๆันดันดั น, ดนำำแพงนะีงน่ยทีนี้ไอ้ไม้มันไปกองกองไม้เล็กไม้ใหญ่มันกองแล้วมันเป็นเชือไฟมันใสไ่ไหมมันหมดมดมันจุดให้สัตว์วิ่งออกไปมันจะได้จับออกดูเถอะคนหูหตาเถือ่อนหูหนวกตาบอดทีนี้เลยไม่จบ อย่าั้นเหย่ไปในทิศทางที่ดีมันหันไปไม่ได้ติดหมดหันเป็นติดหันไปนี่ก็ติดกรรมหมก็เลยจำกัดอยู่อย่างนั้นคนเขาออกไปแล้วใช่ไหมเขาออกไปแ้วตัวเขาไปตั้งค่ายกินปลาอย่างนั้นนะได้ยินว่างี้นนะอีู่ทั้งแหทั้งเหอทั้งอะไรองนั้นนะ ไม่เหมอะให้เห็นโทษความอดร้อนพวกเราเดอดร้อนวิ่งไปดับไฟขนาดไหนดับไฟแต่ละครั้งเขายังไม่เคยลองไปลองดูเด้อไปดับไฟนะลองไปลองดูนะโอยเข้าปากเข้าดังเข้าหูเข้าตายอย่างนั้นเชียนลองไปลองดูเด้อไปแล้วเนะแล้วแล้วเป็นไง ว, วิ่งทันบ่โอ้ระวังเด้อไฟแห ง, งวิ่งมาทันระวังให้ดีนะ่นแหะ มันครอบตาเลยเนี่ยไอต้ตรงที่มันเชื่อมชุวงสูงเนี่ยในขณะที่เราดับเนี่ยมันลมมันก็วิ่งไปดิลมวิ่งไปหาไฟนะ่ะปรากฏเฮิบลบไม่ทันเด็ดมดอันตัวตายหนึ่งตายสองก็นวน น, น, น, น, นนวอยู่ทั้งนวลน่ะปีก่อนเราพูดตั้งพูดนวลลาวนะ่ะไม่ใช่ปลาเด้ยมเนดะ้มีกําลังแท้ๆนะมันจะได้ห ไปดับลบไม่ทันเลยครอบตาเยเลยไฟไฟไมเราสาคุยให้ป่าไม้ฟังว่าสองปีมานล้วเราไม่ได้ดับไฟ <c oughs> ป, ปีนี้โอ้ยโดนเจ้าเดียวรายเดียวนี่ละวันเราไปดับกันมาสามสี่ครั้งห้าครั้งวันนี้ดับไฟ เราเป็นคนดูแลรักษาไฟเขาเป็นคนไล่จุดจุดใหม้แล้วเขาก็เดินเราไปหัวเฉยแหละไปหัวใส้หมแหละฮะ <laughs> เราไปหัวใส <laughs> ่ดับไปดับไป <laughs> ไอพ่อนี่อดข้าวโดยไปดับไฟอีกระวังนะเป็นลมเป็นแรงล้มทับไฟนะฮะนี่ระโยาเนี่ย ไอ้พวกที่เขาไม่เว้นให้เราเขามาก่วนเราไฟป่ามันไม่มีแล้วทุกวันนี้มันมีแต่ไฟคนนี่แหละเผามันนะ่ะจุดมันไฟในกําแพงไม่ในกําแพงด้วยนะมันใช้ไม้ไม่นอกกำแพงมันไม่ในกําแพงไม่สวนยางเขาอีกบ่กมันลามลามไปอย่างในวะดนี่แหละคนมันมาเทจุดนั่นจุดไหนอยู่ฮะโอ้ เป็นทุกข์เป็นโทษเวรกรรมขนาดไหนมันมองไม่เห็นเลยความเห็นแก่ตัวขี้เหร่มันเคยให้ให้สำนึกได้ไหมมันสำนึกไมาได้มันระลึกมาได้เป็นคุณเป็นโทษมันระลึกไม่ได้นนลลไไดอาทีมีเตี๋ยสัญชั่งใยาว น, นึกจะทำวิ่งกระทา ท, ทุกข์ใครเดือดร้อนใครไม่คำนึงแล้ว นี่ก็งดับไปดับได้ก็คือรักษาต้นไม้ได้รักษาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยได้ไม่ไม่เหมือนเป็นนองๆไฟข้างในไฟข้างนอกไฟข้างในทำไงมันจะดับไฟข้างในไฟข้างนอกมันดับง่ายๆไฟข้างนอกไฟข้างใน จุดง่ายแต่มอดยากดักยากไฟท่าไหรไฟท่าหน่อยจุดง่ายเห็นไหมเมื 5, ่อวาได้ยินเราไปเห็นไหนลักฐานนลยมีผ้าชุบน้ํามันด้วยนะเนี่ยก็เอาไปโดูก็ไปได้ผ้าชุบน้ํามันที่ไหนมาลูกอยู่แถนนั้นตออยู่แถวนั้นกลังนะัะถ้ามีผ้าชุบน้ํามันไปจุดป่าอย่างดี <c ười> โอเวกกรรมอ่ะ สเปเยสตาสดาด้าฮอนโตอเวราสุกชีวิโนยังมีเวรแก่กันและกันเลยจงดำรงชีพยอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดสัสตาสดาด้าฮอนตอเวราสุกชีวิโน จงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่ามีเวรต่อกันจงดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเธอแผ่ส่นบุญไยกตังบุญยะพลังไม้ห้างสะเพภาคีพระวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งหลายจงได้รับสมยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญ น, นี้เธอรู้เรื่องบบออรือเป่าลูกกำลรู้เรื่องหรืเรารู้เรื่อง เราทำเอาเองงานนี้มันเป็นงานอัจฉรอัตโนนานตัวเวียนกรรมมันทับถมหัวใจของใครของเรามองเม่เม็นหรเป็นอาจามที่พุทธเจ้าท่านสอนเน่ยถ้าไม่มีสตถิถ้าไม่มีปัญญาถ้าไม่มีบุญดูไม่ออกมองเม่เม็นหรอกหนาตาเถิอนหุห่นหมวกตาบอดเยอนักเลย ห, หุ่หวกต้ดดงองท่องเที่ยวดีตาบอดต้องท่ทิศตาทีนั่นแหละ มันนี้มีใครขาดบ้างวันนี้ใครไม่มากันนี้นะผู น, น, น, นี้ปูนี้ปลูขึ้นอี่แลแวกผู น, นี้เอาไม้นากไปปลูไม่สักนาอกผู น, นี้นะปลูปูปอีกใสใสกาวปูไม้แผ่นยาวๆปลูเสร็จเร็วต้องตีตะปู ด, ด้วยกว่อ น, น ต้องเท่ากูได้เปล่าไมมันมงอมอยู่เลยนนึกเปล่าได้ไมงอมันเด้งขึ้นเป็นปุกันปูปเกยสองวัหมดไปจนรอยกว่าตารางเมตรนะรอยกว่าตารางเมตรหมดเกลี้ยงเลยนะปูเป็นหมดทุกคนเ เสรแล้วก็อุดรูอะไรตนี้ข้างบนก็อุดรูแล้วก็ขั ด, ดเสร็เสร็จล้วเรียข้างบนนี่มาอุดรูข้างล่างอุดรูข้างล่างเตรียมไว้ตัวขัดตัวใหญ่เด้อขัดลายที่ไปหามาตัวขัดตัวใหญ่พรุนี้ตอนเช้าไปเอามาเปลาเปลนว่าเอาเปลนเอ า, เนนาอบไม้ตนนี้เป็นเป็นไม้อบเนี่ย ไม้ก็อบมาแล้วไอ้ตัวแผ่นใหญ่มันเนี่ยถ้าเผื่อมันเหลือบ้างเราจะไปใส่ข้างมันจะไปใส่ผนังข้างมันเนี่ยไต้หน้าตาออกมาตัวแผ่นใหญ่รวมไปทั้งหมดมันสามสิบสี่สิบตารางเมตรมเห็นจะได้นะเฉพาะผนังข้างางมันเนี่ยอันนั้นหลั่งน้ำได้ถึงร้อยแปดสิบตารางเมตรนะไม้แผ่นเนี่ย 180ร้อยแปดสิบตารามตรประมาณบางเคขางเดี่ตั้งเจ็ดสิบกาตารางเมตรนะสั่งได้ใช่ไหมเนี่ยสง่งมาไห้เมลัยถ้าส่งไม่ถึงให้เราบอกบอกให้บอกเราเราจะไปเอามาถ้าถ้าส่งไม่ไม่ต้องเสียค่าส่งเราจะไปรับมาถ้าเสียค่าส่งนั้นนาจะเอามาหามาส่งเรา น่าต่างมาทั้งสองสาวันเลยนะี่ยังไม่ถึงเลยประตูงานเยอะระยะนี้มีทำเวลายหวางไปช่วยกันหน่อยอาจารย์หวางท่านมาเห็นท่านจะให้ท่านจใพระมาช่วยทําหุ่มเสาเลยเพราะว่าท่านทําจนคล่องวันนี้จารหวังว่ า, วาท่านไปดูศิบตุตน เจ้าปอติมอยู่ข้างในไปในห้อง16ต้นน้องนายหยดติดข้างติดผนังติดผนังแล้วเอาเป็นแผ่นใหญ่ใส่บอกันเยอะเยเลยทำงานเ ồ i วิ่งดับไฟด้วย ประสบการณ์ของอะไรน้อมมาเพื่อสติน้อมมาเพื่อปัญญาน้อมมาเพื่ออัตประโยชน์น้อมมาเพื่อบุญน้อมมาเพื่อคุณน้อมมาเพื่อสติเพื่อปัญญาเพื่อความฉลาดไม่เห็นน้อมมาเพื่อเขี้ริคานดับไฟอีกแล้วดับไฟอีกแล้วตัวขี้เกียจนะ่ะมันเผาเรานะ่ะ มันไ ร, ร้กาที่เขไฟนะตัวที่เกีย่ยนในหัวใจของเราเนี่ยมันเผาหัวใจของเราเนี่ยไ ร, ยกร้กาที่เขไฟเขาดับให้เราไปไปหมดนะไ ร, ร้รากาเขาไฟนะพยายามจุดพยายามลากมันมาเนี่ยนะนะถือว่าเราดับมันไปโดยอัตโนมัตนะินี่ตัวสุดถูกตัวที่ไ ร, ร้กาที่สุดต่อมาผลนิพานนี่ขี้เกียจนี่แหละบริจาคธรรมตรนี่ ตัวที่เกียดเนี่ยตัวศัตรูตัวที่ร้ายกาจที่สุดในหัวใจของเราเรารูที่มันขึ้นมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมือก็งอตนีนงอไปหมดแล้อืมสัยนอะหนึ่งมีความสุขเกิดขึ้นจากอะไรเล็กเล็กลน้อยน้อยไปกาะมันแล้วท่านเองก็จนทิ้งงานทิ้งการก็จนทิ้งข้อพันอันนี้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ เราอยู่เพื่อฝึกเพื่อฝืนเราเองเนี่ยไม่มีใครฝืนให้เราเราฝืนเราเองพ่อแม่ส่งมาแล้วเสียสลายเรามาอยู่แล้วมามาเสียสละให้เรามาแล้ ว, เ, ล เ, ราาลวเราเสียสละความสุขเล็กๆไน้อ ย, อยที่พ่อแม่อุตส่งมาแล้วเนี่ยปฏิจิยความสุขเล็กเล็กน้อยน้อเนี่ย ทำประโยชน์ดูให้ออกดูให้เห็นประโยชน์ประโยชน์เหล่านี้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่สนาคืออะไรที่นั่งเภาวนาที่ทำไปดิเนี่ยอย่างเงี้ยนั่งนั่งยุงไม่จบหน้าร้อนก็มีอันนี้เปาอย่างดีเลยฝนตกไม่รู้อยุงก็ไม่เจบนั่งเภาาได้รับความสงบสง บ, สงบ อะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับงานอบรมจิตไม่มีในโลกนี้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับงานอบรมจิตงานอื่นยังรองรองพะทั้งหมดและที่ที่เราทำเราทำเพื่อจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างนี้เลยเป็นบุญนิ้ที่ไปในตัวใคไม่ใช้สอยได้ดอกได้ผลค่อยเกี่ยวบอแม่วิหารฐานนี่อะไรวิหารฐาน รเราทานนั้นดับปัญญาฐานโดยปัญญาทาักโดยฝีมือเสียสละความคิดเกีย่ยวีัคการนอนหมดทำเกิดประยชน์กับมัจดจอดนอน่อยืนถือนั่งนอนแม้บางคสันงิี่ข่าสามเป็นปัญญาเสียหายไปไหนมันไม่เสียหายนอกจากนอนขี้เศร้าไม่ลุก้กันนัเองขี้ค้านจนเน่าเฟะ ตัวสตูตัวที่ไรยการดูให้ออกฝึกฝึกจนมาเกาะมวยใจเราไม่ได้เลยฝึกจนมันเกาะมัวใจของเราไม่ได้พวกเราอยู่ในวัยนี้เราฝึกได้แต่ถ้าเกินวัยไปแล้วลําบากกันนะนะหกสิบเจ็ดสิบร่วมกันแล้วลองดูโอยแล้ยวยกซ้ายก็โอยขยับขวาก็าโอย ไปนั่งช่วยนั้นเขานิดหน่อยโอ้ยปวดหลังฟื้นไม่ได้ดอกฟื้นไม่ได้ออยู่ในวัยสะดวกสบายลุกเดินได้นั่งได้นั้งได้ฝึอกเอาไว้ฝึกกายฝึกวายาฝึกใจเอาไว้การฝึกการฝืน น, นี่แหละเป็นบุญบุญเป็นความดีความดีคือบุญบุญคือความดี คนไม่มีบุญก็คือคนไม่มีความดีอืมนอกจากไม่มีบุญแล้วมันเกิบาปอืทํามันไม่ทําบุญมันก็ทําบาปอยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้ก็เหมือนอย่างที่เขาเผาไฟให้ให้เราไปดำเงี้ยนะจุดป่าให้เราไปดำเนี่ยอยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้หรอกมันต้องอไปทําบาปทำทั้งทั้งที่หุนหนุกตาบอดไม่รู้ว่าบาปมันหูหนุกตาบอดไม่รู้ว่าโทษ ผิดต้องกฎไม้ด้วยผิดต้องสินต้องทำด้วยสัตว์มันตา ย, ปยาเป็นนงนองเหมเดี๋เหลืออะไรต้นไม้ตายเป็นนองนองนะนั่นไหมล้มใส่กำแพงกำแพงพังองีกเห็นไหมใครเห็นโทษรือเปล่าเอา เ, อ เ, อเอาเาออเห็นไม่เห็นไปซ่อมเมาฮะเอาแนีซ่อมไปซ่อมเหาเอาเืไปตัดเอ า, า, อ, เา อ, อะไรไปซ่อมเข่ากำแพงอ่ะเอาสกัดไปเอาแนวแยกไป ไปง่งดีตัวเราได้สง่ง <laughs> นะเขาถามให้เราได้สง่งดียังไงอดีดึงออกจากความนอกเฟะความขี้เกียรค้านดูเถอะความสุก น, นิดนหน่อยหนมันติดจนปเ็นให้เราขี้เกียรรีค้านดูให้ออกดูให้ออกนี่คือ ดูที่รายการที่สุดละตุตัวที่รายการยกเว้นได้เจ็บใครยในป่วยต้องฟื้นเยอะอดเยอะทอนก็ไม่ไหวหเราเราะนั้นเร า, เร า, เร า, เาว่าเขาว่าใครเราเห็นประโยชน์เราไม่ทำหน้า เีงไม่ออกดาวันนี้เอาทั้นี้แหละเนี่ยฉันชาวน้ำพุงไปทางเสียงไม่ออ ยาใช่มนะย้าในจานจำหลักมาเนอะไปะจากที่ผ้พืนเนอะัล้า ง, งใหญ่หลั ง, ห, ห, ลงหม่การทุกาใหม่เนอไนอ น, อนันไม่ต้องมีตะแค่ไม่ต้องมีเตียงนอนนพื้ น, น, นลูกศิษย์คนไหนข้างล่างนะเอเพิ่นมาเพิ่นจะต้องมีลูกศิษย์มาด้วย สิบพัตางลาตอนเช้าไปนน่นน่ะไปทำาหารด้วยกันลุกไปแต่เช้าเสร็จแล้วก็เข้าลุงพุทนยี่สหกคุงนี่ยี่ิห้าตอนเช้าไปที่ทำาหารเขามีพระป่าเราไปดูเขาไปถมที่จะทำสรงสระอะไรไปดู วันนี้เขาก็มอบมอบมาชว่วยดูแลวัดอีกวันหนึ่งสันตันนะนตันสนตันนประจำลุงสายเาสหัยสองปีล น, นี่ปีที่แล้วมาอยู่กับลุงลุงสายสามปีแล้วก็มาอยู่กับเราสองปีแล้วก็ไปอยู่ลุงปู่จันเรียนสองปีไปที่บ้าน บนคลองโป้คลองโป้คลองใหญ่คลองใส่ป้านี่นนะคลองใหญ่ๆก็เรียกคลองโป้บ้านคลองโป้มันเป็นป่าชา้าเคยมีพราอยู่แล้วทำาชลาร์เท่ไหร่เท่ า, ะ า, น, านะเต็มร้างลักษณะเหมือนทำ่านเลพระดีตั้มตั้ก็เลยเข้าไปอยู่บ้านพอดีจ้าบ้านเราชาวในพาชา้าบ้านมาทั้ง เยอะเลยเขาบอกเออมีอะไรก็ไ่ช่วยดูกันแต่ยังรู้จักมาโมเห็นเราเป็นตัวเงินตัวทองแล้วเราไม่มีดอกเราดีพอใช้สอยแค่วัดเราท่านจะไปช่วยดูช่วยโน้ตช่วยนี้ช่วยอะไรไปค่อยมาอยู่ก็อยอยู่กับเราเด็ตัง ของปโปงเนี่ยในฉยเเกียรไปถูกใช่หมมันคลผ่านคอผ่านนะของปโปของโป่บานใหญ่ดิบานถึงสี่ร้อยลังคาบน่ะโอ้ยอจะตั้งใจจะทำสี0อยลังคานี่ช่วยกันคนเล็กคนน้อยคนลาไม้คนลงกา เขบอไปพยายามไปรักษาความเป็นเนื้อหนาบุญเอาไว้กัแล้วกันโย่ไปช่วยรักษาความเป็นเนื้อนาบุญของพระไปด้วยอย่าไปตรุ่งอย่าไปทำลายพระส่วนมากมันไม่รู้จักเนื้อนาบุญไม่รู้กสร้างตัวอไไเ อ, อเป็นเนื้อนาบุญหนสี่สเป็นเนื้อหนาเน่าเป็นเนื้อนาเล็กอีกคนระวังที่สุดละ นบุญเทวดาสอนอไว้อยู่ในศิลในธรรมอยู่ในข้อบัดปฏิบัติที่เราทกันอยู่นี่เลยไ น, น, น, น, น, นเช่นไละะไหนเ่นไนเวเว้นเว้นเวสร็จความเป็นนามท่านพาไม่จับเงินไม่ถึงเงินไม่ถือทองปัป่าชันมือเดียวต้องพยายามรักษาไว้อย่าไปอดฐานารุลงละเมิดลุงเกิด น, นะ ดูถูกดูแลนักบุญธรรมน่ารำไรดีนะทักท้ตัวงดูถูกตัวองกรรมหนักลาสหัสเราเห็นไหคนเขาคนเขาบาดบ่าีคนพิการเราดูไหมเราชอบใจไหมเราไม่ชอบใจเราก็ไม่ต้องเอาเป็นเยี่อเป็นยางเพราะเราไม่ไม่ละไป่เว้นเราอีกคนเหมืนจะโดนอย่ามาแต่เขาเลย การสร้างนิสัยสันดานจึงเป็นเรื่องใหญ่ <c oughs> งานที่ยิ่งใหญ่สุดคือหนางานปรับจริตนิสัยสันดานจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสมัมมาทิฏฐิทําไงมิจฉาทิฏฐิข้าสัตว์รักซับประพฤติผิดในกาลพูดโกหกดื่มสราเมรัยเป็นองค์ของศิษย์เนี่ยไปทําปรับนี่มิจฉาทิฏฐิแล้วนําทุกน้ำโทษมา สัมมาทิฏฐิคืออะไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่เริ่พุทธินในการมรู้แค่นี้เราก็รู้แก่ใจเราเป็นสัมมาทิฏฐิหรือวิชฉาทิฏฐิเชื่อบุเชื่อกำผู้เจ้าทัานสอนเชื่อมั่งเชื่อผล เ, เชิ่อมิพานเชื่อทุกเชื่อโทษในวัฏสงสารมีความเชื่อเต็มร้อยอยู่ในใจในี่สัมมาทิฏฐิจากนั้นต้องอบรมต้งใจทําทําไงเราจะปอเราจะละเราจะเว้น ถ้าเรามีความพยายนมันเพยยียนอุยายาสสตสาห์พยายามสร้างรักษาตัวพยยาแต่จะช่เหลือตัวเองไปได้อัตภาพนี้เราไม่ตั้งใจทําโอกาสก็เสียไปอายุก็ลงไปกรรมก็กรรมใหม่กระทับถมกรรมเก่ามันทับถมเราไปแล้วกรรมใหม่กระทับถมเรามันก็ไม่อีกอย่าไปสร้างกรรมหนักหนาสาหารัรรทับถมตัวเองเลย สอนตัวเองคนอื่นเป็นเพียงประปัจจัยช่วยบอกช่วยแนะช่วเตือนตัวเราเองระบบตัวเราเองได้ประโยชน์คนอื่นบอกดีไม่ดีเป็นเท่าน